วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมีสายนพุทธศกราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามตอนนี้ก็ได้มีการตกลงกับทางบ้านอำเภอเกี่ยวกับเรื่องการบินทบาทก็ จะให้เริ่มต้นบบนทบาทได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมก้อยประมาณห้าวันวันวันศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคมประมาณหนาฬิกาก้อจะกลับไปบบนทบาทที่บ้านอำเภอท่านที่เคยใส่บาน ก็ขอแจ้งให้ท่านได้ทราบกันโดยโชว์หน้ากันเรื่องบินตบัตก็เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายก็ต้องมีอาหารไว้เลี้ยงดูร่างกายถึงจะอยู่ได้นอกจากอาหารบิณตบัตก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัย และมียารักษาโรคที่เป็นปัจจัยสี่ของร่างกายที่เราทุกคนจะต้องมีหน้าที่คอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายแต่การคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราเราก็ต้องระวังไม่ให้มันไป กระทบกับจิตใจของพวกเราไปในทางลบเพราะจิตใจของพวกเรานี้ก็มีเป็นส่วนที่สําคัญเป็นส่วนที่จะให้ความสุขและความทุกข์แก่พวกเรามากมายยิ่งกว่าความสุขและความทุกข์ที่เราจะได้รับจากทางร่างกาย และร่างกายของพวกเราก็เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีมันก็จะต้องสูญสลายไปตามธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนดังนั้นการเลี้ยงดูร่างกายนั้นถึงแม้ว่าจะสำคัญก็ไม่สำคัญเท่ากับ เลี้งดูจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี้มันไม่มีวันตายแต่มันจะสุขหรือจะทุกข์จะเจริญหรือจะเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในขณะที่เรามีร่างกายกันอยู่ในตอนนี้ เราจึงต้องระมัดระวังในการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายในการที่เราจะหาความสุขผ่านทางร่างกายอย่าให้มันไปทำให้เกิดความทุกข์ความเสื่อมเสียทางจิตใจพอผลที่จะได้รับทางจิตใจนี้ มันยาวนานกว่าและรุนแรงกว่าผลที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกายดัยงนั้นบางทีเราจะต้องเลือกระหว่างความสุขของร่างกายกับความทุกข์ของจิตใจที่จะตามมาความเสื่อมของจิตใจที่จะตามมา แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องของจิตใจว่าเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราผ่านทางร่างกายเพื่อหาความสุขทางร่างกายเพื่อเล้งดูร่างกายเราก็อาจจะไปสร้างผลกระทบในทางลบให้แก่จิตใจ ทำให้จิตใจของเราเสื่อมลงไปและทุกข์มากขึ้นไปเพราะเรื่องของจิตใจนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้กันเพราหนึ่งเราไม่เห็นจิตใจเราไม่รู้ว่าจิตใจนี้ต่างจากร่างกายไม่ได้เป็นส่วนเดียวกัน เรามักจะคิดกันว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นของคู่กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน mm hmm. เพราะส่วนใหญ่ร่างกายกับจิตใจนี้จะไปไหนมาไหนพร้อมกัน mm hmm. แต่เราไม่รู้ว่ามีเวลาที่จิตใจและร่างกายของพวกเรานี้จะแยกออกจากกัน mm hmm. จะไปคนละทิตย์คนละทางกันเราต้องอาศัยผู้รู้ผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนมาบอกเราเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้ศึกษา เรื่องราวของจิตใจจนเห็นแจ้งชัดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันมีสุขมีทุกข์ทั้งสองส่วนมีสุขมีทุกข์ทางร่างกายและมีสุขมีทุกข์ทางจิตใจความสุขความทุกข์ทางร่างกาย เป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขความทุกข์ทางจิตใจเป็นส่วนที่ยาวนานและรุนแรงกว่าทางร่างกายและทรงรู้สาเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์กับทางจิตใจ เกิดความเจริญหรือความเสื่อมทางจิตใจ mm hmm. เราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีรักษาจิตใจของพวกเราไม่ให้เสื่อมลงไปกว่าที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ คือจิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์แต่จิตใจของพวกเรานี้สามารถสามารถตกลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ได้เช่นไปเป็นเดรัจฉานและไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ชนิดต่างๆถ้ามีความทุกข์ ด้วยความหิวโหย mm hmm. เราก็เรียกว่าเปรตถ้ามีความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวต่างๆก็เรียกว่าอาสูรกายถ้ามีความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทความปวดแน้น mm hmm. ก็จะเป็นนรกขึ้นมา mm hmm. นี่คือ สภาพของจิตใจของพวกเราที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราบุ้งไปที่การเลี้ยงดูร่างกายบุ้งไปที่การหาความสุขทางร่างกายเราก็อาจจะไปทำโดยวิธีที่จะทำให้เกิดโทษต่อจิตใจ โดยที่เราจะไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายนี้มันไม่คุ้มกับความทุกข์กับความเสื่อมเสียทางด้านจิตใจแต่ผู้ที่รู้คือพระพุทธเจ้าและพระสาวกนี่เช่นรู้ว่าการกระทำอะไร ที่จะนำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้กับจิตใจของพวกเราที่จะเดินจิตใจของพวกเราหลังจากที่ไม่มีร่างกายนี้แล้วจะเดิงจิตใจของเราให้ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาคือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นนรกบ้าง<ม>นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ศึกษาได้ค้นพบ<ม>ว่าเกิดจากการกระทำของเราในตอนที่เราพยายามหาความสุขให้กับร่างกายและหาความสุขผ่านทางร่างกาย เราก็อาจจะถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนเราก็จะไม่รู้จักคำว่าบาปว่าเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะเลี้ยงดูร่างกายของเราให้สุขให้สบายให้แก้วคาดปลอดภัยจากภัยต่างๆ เราก็อาจจะไปทำบาปกันก็ได้หรือเวลาที่เราอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็อาจจะไปหาความสุขด้วยการกระทำบาปเพราะเราไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีผลกระทบต่อความเป็นไป ของจิตใจของพวกเรานนั้นเองมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาและได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการการทำบาปต่างๆไม่ว่าเพื่อเป็นการเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายป้องกันภัยของร่างกายหรือหาความสุขต่างๆ ผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าทำโดวยวิธีกระทำบาปจะทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อจิตใจต่อไปทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วผลที่เรา ทำผ่านทางร่างกายหรือทำเพื่อร่างกายนี้มันไม่ได้ตายมันไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายมันส่งผลต่อไปที่จิตใจไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดบระเวณีไม่ว่าจะเป็นการพูดปด การกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดโทษต่อจิตใจถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ดีคือรักษาร่างกายเลี้ยงดูร่างกายแต่มันจะไปส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อจิตใจที่จะให้ความทุกข์ ร้ายแรงกว่าความสุขที่จะได้รับผ่านทางร่างกายความสุขได้รับผ่านทางร่างกายก็เชื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาสนี้มันยังติดอยู่กับที่ใจต่อไปนี่คือเวลาที่เรา เลี้ยงดูร่างกายของเราหรือใช้ร่างกายของเราหาความสุขโดยวิธีการกระทาบาปต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่ามีผลเสียหายต่อจิตใจเราอาจจะรู้ว่ามีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เรากระทำแต่บางทีเราก็คิดว่ากฎหมายอาจจะไม่รู้ เวลาที่เรากระทำกฎหมายก็จะไม่สามารถมาจับเราไปลงโทษได้หรือถ้าเราทำแล้วกฎหมายเขารู้เขาก็อาจจะต้องใช้เวลาตามจับเราไปลงโทษก็ได้ถ้าเราเก่งกว่ากฎหมายเราก็อาจจะหนีกฎหมายได้ ก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยกลัวเกี่ยวกับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำบาปเช่นลักทรัพย์ของผู้อื่นเช่นทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นโกหกหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นอันนี้ก็อาจจะทำให้ ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นบาปผิดศีลและธรรมผลทางกฎหมายอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลทางจิตใจนี้ต้องเกิดอย่างแน่นอนเกิดตั้งตัเกิดตั้งแต่หลังจากที่ได้มีการกระทําบาปพอเวลากระทําบาปจิตใจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาพอ มีความวิตกกังวลว่าจะถูกผู้อื่นที่เขาถูกเราไปสร้างความเสียหายนั้นมาตามร่างแค้นเราหรือไม่มาแก้แค้นม า, าลงโทษเราหรือไม่เราก็จะอยู่แบบกังวลใจวิตกหวาดกลัวไป ต่างๆนานาอนนี่คือผลที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเวลาที่เรากระทำบาปกันใจเราจะไม่สบายถ้าสังเกตดูจะเห็นเวลาที่เราไม่ทำบาปกับเราเวลาที่เราทำบาปนั้นมีความรู้สึกต่างกันเวลาไม่ทาบาปใจเราจะไม่เดือดร้อน จะรู้สึกเฉยๆแต่พอเวลาไปทำบาปแล้วจะเดือดร้อนใจขึ้นมาจะไม่สบายใจขึ้นมาและการกระทำบาปของเรานี้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามักจะไม่ทำบาปเพียงครั้งเดียวพอเราทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำใหม่อีก เพาเหตุที่ดึงให้เราไปทําบาปนี้มันจะกลับมาดึงให้เราไปทําบาปเหตุก็คือความอยากได้ความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายหรือความอยากให้ร่างกายมีความสุขถ้าเราไม่สามารถที่จะหาความสุขให้กับร่างกายได้โดยวิธีไม่ทําบาป เราก็จะไปทำบาปกันเพราะวิธีทำบาปนี้มันง่ายกว่าวิธีไม่ทำบาปนั่นเองออเมื่อวิธีไม่ทำบาปไม่สามารถทำได้ก็จะต้องอาศัยวิธีทำบาปเช่ น, นเราต้องการมีความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเรามีเงินทองพอใช้ เราก็ยังไม่ต้องไปทำบาปแต่พอเงินทองเราหมดแต่ความอยากที่จะซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่น้นยังมีอยู่มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปทำบาปเพราะเวลาเกิดความอยากได้ความสุขทางร่างกายมันทำให้จิตใจ กระวนกวายกระสับกระสายทำให้มีความหงุดหยิดมีทำให้มีความรู้สึกหิวโหยจนถึงกับทนไม่ไหวจึงต้องไปทำบาปและเนื่องจากไม่เห็นโทษที่จะมาเกิดขึ้นกับจิตใจความกลัวผลของการกระทำบาปก็จะมีน้อย มีก็เพียงแต่ผลที่จะได้รับทางกฎหมายถ้าเกิดถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษเท่านั้นการทำบาปก็จะมีการทำไปอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาทำแล้วไม่ได้รับโทษมันก็จะเกิดความชลาใจขึ้นมาแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการอะไรถ้าต้องการความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สามารถหาโดยวิธีไม่ทำบาปก็จะไปทำบาปเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมาเพราะเวลาเกิดความอยากนี้มันจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งหาความสุขไม่ได้ช่วงที่เกิดความอยาก จะได้ก็ช่วงที่ไปทําตามความอยากแล้วเท่านั้นพอได้ทําตามความอยากแล้วอาการทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปแล้วความรู้สึกสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้คนทําบาปกันถ้าไม่สามารถทําตามความอยากโดยวิธีไม่ทําบาปได้ ก็ต้องไปทำโดยวิธีทำบาปยกเว้นพวกที่รู้จากวิธีสู้กับการกระทำบาปคือพวกที่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามฝืนความอยากในการที่จะกระทำบาป แล้วก็หาวิธีที่จะบรรเทาด้วยการทำใจให้หายจากความทุกข์ทรมานใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนให้อัดทำใจให้สงบให้เป็นเพราะการทำใจให้สงบได้นี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานใจ เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ทำตามความอยากถ้าไม่รู้จักทำใจให้สงบเนี่ยความอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ขึ้นไปจนถึงกับทนไม่ไหวถึงกับจะต้องไปทำบาปกันอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่เราจะต้องมาเรียนรู้มาศึกษาเกี่ยวกับผลของการกระทําทางกายวาจาใจของเราว่ามันจะส่งผลให้กับจิตใจของเราอย่างไรบ้างมเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ทําให้มันถูกต้องทําให้มันเกิดโทษให้น้อยลงหรือหมดไป แล้วทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นที่ทำให้จิตใจเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากต่างๆที่มาคอยบีบมาบังคับให้เรากระทำบาปหรือบีบบังคับให้เราต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ตัวความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ดึงใจของพวกเราให้กลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรามีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆเราก็ต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้มีทั้งตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย ไว้เสพไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเวลาเกิดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภพะแล้วพอเราได้มีใช้ตาหูจมูกมืนกายไปเสพเราก็จะได้บรรเทาความทุกข์ทรมานใจที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปให้หยุดไปชั่วคราวแล้วทำให้เกิดมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาชั่วคราว แต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นการบันทึกความไม่สบายใจชั่วคราวเดี๋ยวความสุขที่ได้มามันก็จะจางหายไปแล้วความอยากที่จะได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกิเลสผลถภก็จะย้อนกลับขึ้นมาใหม่อีกตราบใดที่เราทำตามความอยาก ตาบนั้นความอยากจะไม่มีวันหมดเพราะการกระทำตามความอยากนี้เป็นเหมือนกับเป็นการต่ออายุของความอยากให้มียาวขึ้นไปมีนานขึ้นไปทำตามความอยากครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีความอยากครั้งที่สองตามมาทำตามความอยากครั้งที่สองก็จะมีความอยากครั้งที่สามตามมา มันก็จะอยากไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอตายไปแล้วความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ในใจที่ไม่ตายความอยากก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อแลนในช่วงที่ไปหาร่างกายก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ ก็เป็นช่วงที่จะต้องไปรับผลบาปที่ได้กระทำไว้หรือไปรับผลบุญที่ได้กระทำไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่จะมีผลต่อจิตใจของพวกเราก็คือบุญและบาปนี่เองที่จะเป็นผู้ที่จะ ส่งให้จิตใจเราขึ้นสูงแล้วดึงให้จิตใจเราลงต่ำบุญกับบาปนี้ไม่ได้มีผลต่อร่างกายบุญกับบาปนี้มีผลต่อจิตใจแต่การทำบุญทาบาปนี่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ผู้กระทำบุญหรือกระทำบาป ที่แท้จริงนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กระทาบุญหรือกระทาบาปก็คือผู้ที่สั่งน่ะผู้ที่สั่งคือใจผู้มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายนี้ไม่มีความรู้ความคิดในตัวของมันเองร่างกายมีเพียงแต่ความสามารถที่จะ ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและผดธพะที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วส่งไปให้ใจอีกทีหนึ่งให้ใจเป็นผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกสบายขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งใจเป็นผู้สั่งผู้กระทำบาป ใจก็ต้องเป็นผู้รับผลการกระทำของใจทั้งบุญและทั้งบาปเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องบุญกันส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องบาปกันเพราะว่าเรื่องบาปนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวที่มันจะทำง่ายกว่าทำบุญ เนื่องจากสาเหตุของความอยากของเหล่านี้เองนะตั้งแต่พอลืมตาขึ้นมานี่ตั้งแต่เกิดมาในออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กทารกความอยากมันก็เริ่มทางานทันทีแล้วพอมันเริ่มทำงานมันก็จะสั่งให้ทารกทำอะไรต่างๆตามความสามารถของทารกที่จะทำได้สิ่งแรกที่มันทำได้เวลามันอยากแล้ว ไม่ได้มันก็ใช้การร้องร้องเรียกความสนใจจากพ่อหรือจากแม่พ่อหรือแม่ก็ต้องมาตอบสนองความอยากของของลูกด้วยการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ลูกต้องการในตอนนั้นมาให้ลูกได้เสพได้สัมผัสแล้วพอต่อมาพอร่างกายของลูก มีความเจริญเติบโตสามารถหยิบอะไรมาได้ตามความต้องการก็จะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเห็นอะไรอยากได้อะไรชอบอะไรก็จะไปหยิบมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปหรือไม่เพราะยังไม่มีใครสั่งใครสอนอออนี่ยันเรื่องของการทำบาปนี่ จะมาก่อนในชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะในช่วงที่เราเป็นเด็กๆเรามักจะทำบาปกันโดยไม่รู้สึกตัวเราจึงต้องมีคนคอยสอนคอยสั่งพ่อแม่คอยบอกคอยห้ามว่าอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนั้นนะทําไม่ได้ทําละบาปทําแล้วจะทำเกิดโทษกับตัวเรา ส่วนเรื่องของการทำบุญนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการสั่งการสอนโดยอาศัยพ่อแม่นี้เป็นผู้คอยสั่งคอ ย, คอยสอนพ่อแม่ถ้าเกิดในตระกูลที่มีคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อเรื่องของการทำบุญเชื่อเรื่องของการเสียสละแบ่งปัน เชื่อเลือกของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากก็จะพาลูกไปทําบุญลูกก็จะได้สัมผัสกับการทําบุญแต่ก็เป็นเพียงแต่การดูดหนังตัวอย่างไปก่อนเพราะตัวลูกเองน้นยังไม่ได้ทําบุญอย่างแท้จริง เพราะลูกยังไม่ได้เสียสละข้าวของเงินทองเป็นข้าวของเงินทองของพ่อแม่ที่ให้ลูกเป็นคนทำให้เช่นให้ใส่บาตรให้ถวายของเป็นต้นลูกยังไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ได้จากการทำบุญเพราะว่าลูกยังไม่ได้เสียสละยังไม่มีของที่จะเสียสละ แต่ก็เป็นการเรียนรู้ในเบื้องต้นพอต่อไปเมื่อได้เจริญเ ต, ติบโตได้งานทำมีรายได้ก็ถ้ามีรายได้มากกว่าที่จำเป็นที่จะต้องมีหรือมากกว่าที่จะต้องเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆ ก็อาจจะคิดอยากจะทำบุญข um, ึ้นมาเช่นในวันสําคัญของชีวิตของตนวันเกิดเอ่ยวันขึ้นปีใหม่เอ่ยวันสําคัญอะไรต่างๆของทางศาสนาก็จะได้หัดมีการทำบุญขึ้นมาแต่ก็จะมีความประทับใจหรือมีความชื่นชมกับการทำบุญนี้มากน้อยก็ ขึ้นอยู่กับว่าทำแล้วทำจากใจหรือไม่อย่างไรเพราะการทำบุญนี้ผลมันจะเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้กระทำถ้าทำด้วยจิตใจที่เอื้อต่อประโยชน์สุขของผู้อื่นทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา แต่ทำเพื่อเอื้อประโยชน์สุขของตนก็อาจจะไม่รู้สึกสุขใจเช่นว่าทำบุญแล้วจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นการทำบุญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนนี่ความรู้สึกสุขใจอิ่มใจมันจะไม่เกิด แต่ถ้าทำบุญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมันจะทำให้เกิดในความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจมีความสุขใจขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการทำบุญซึ่งนอกจากการทำบุญทําทานแล้วยังมีเรื่องของการทำบุญที่เจาะลึกเข้าไปในจิตใจ ที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีการศึกษาถึงจะมีความเข้าอกเข้าใจถึงจะเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการกระทำบุญระดับสูงนี้ได้หรือการกระทำบุญทาทานระดับต้นก็เช่นเดียวกันถ้าทำโดยที่ผิดจาก เป้าหมายที่แท้จริงผลของบุญก็จะไม่ไม่เกิดจะไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขใจอิ่มใจถ้าทำไปเพื่อหวังผลตอบแทนให้กับตนเองหวังว่าทำบุญแล้วจะปัดเป่าภัยอะไรต่างๆไปทำบุญแล้วอาจจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทำบุญแล้วจะได้ ขึ้นเงินเดือนได้งานได้การถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาทำบุญแล้วจะได้เรียนจบถ้าคิดถ้าทำบุญแบบนี้แล้วใจจะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มใจจะไม่มีความประทับใจกับการทำบุญพอไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องทำก็จะไม่คิดทำต้องมีเหตุการณ์ต้องมี ความอยากได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหาจากทางอื่นได้แล้วก็เลยลองมาหวังพึ่งบุญนี้ดูหางานแล้วถ้าเป็นแทบตายก็หาไม่ได้ก็ลองมาทําบุญดูเผื่อบุญจะช่วยให้เราหางานได้หาแฟนไม่ได้ก็ลองทําบุญดูเผื่อบุญจะช่วยให้เราหาแฟนได้อันนี้ไม่ได้เป็นการทําบุญตามหลัก ที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขและมีความเจริญขึ้นไปนะการทำบุญที่จะส่งเสริมให้จิตใจมีความสุขมีความเจริญต้องมุ่งไปที่ประโยชน์ของผู้รับนะไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ให้นะผู้ให้ไม่ต้องการอะไรต้องการบุญนะคือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ ไม่ต้องการผลตอบแทนทางด้านาข้าวของเงินทองหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไม่สบายก็อยากหายหายไขย้หายป่วยก็ทำบุญ อ, อย่างนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญจะเรียกว่าเป็นการ อคำว่าอะไรนี่ไม่ออกเป็นการซื้อหรือว่าเป็นการเวลาที่เราไปให้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้เขาเรียกว่าอะไรเนะเป็นการเ อ, อติดสินบนกันการทาบุญแบบเต็ดสินบนนี้มันไม่ได้เป็นบุญทําบุญนี่ต้องทําแบบ ไม่ต้องการอะไรจากผู้ที่เราไปกระทําด้วยหรือไม่ต้องการอะไรจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็วาได้ไม่ต้องการเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขแต่อย่างใดแต่ต้องการความสุขความเจริญของจิตใจเพราะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องของการไม่ตายของจิตใจ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเชื่อว่าจิตใจไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจต้องไปต่อจนกว่าจิตใจจะสามารถยุติการไปเกิดใหม่ได้เท่านั้นจิตใจถึงจะไม่ต้องไปเกิดตามภพตามภูมิต่างๆตามอำนาจของการกระทำที่ดีหรือไม่ดี คือการทำบุญหรือการกระทำบาปนี่มีผลต่อจิตใจในทางบวกและในทางลบเนอย่างที่ได้พูดในเบื้องต้นเรื่องของการกระทำบาปเป็นการกระทำที่มีผลทางลบต่อจิตใจคือดึงจิตใจให้ลงต่ำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเช่นจาก การเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เ, าเราเปรียบเทียบดูระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกเป็นอะไรดีเลือกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเลือกเป็นเป็นมนุษย์ดีถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคนเลี้ยงดูอย่างดีก็ยังสู้เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะยังต้องอาศัย คนเลี้ยงดูคอยเลี้ยงดูให้ถ้าเกิดวันดีคืนดีคนเลี้ยงดู เ, เป็นอะไรไปก็อาจจะกลายเป็นสุนัขจรจัดไปก็ได้เป็นสัตว์จรจัดไปถ้าเจ้าของตายไปไม่มีใครเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงตัวนั้นก็อาจจะกลายเป็นสัตว์จานลจัดไปก็ได้แต่เป็นมนุษย์นี่ มีโอกาสและมีความสามารถที่หาความสุขให้กับตนเองได้ดีกว่า mm hmm. ดังนั้นถ้าเราต้องเลือกระหว่างการเป็นมนุษย์กับการเป็นสัตว์เดราาัจฉานเราก็ต้องเลือกการเป็นมนุษย์มากกว่าการเป็นสัตาา mm hmm. ว์เดรัจฉานถ้าเราก็เลือกได้ถ้าเรารู้ว่าวิธีเลือกนี้เลือกอย่างไร mm hmm. เช่นตอนนี้เราเป็นมนุษย์อยู่ mm hmm. แล้วถ้าเกิดเราไปตกทุกข์ได้ยากลาบากขึ้นมา เราก็มีทางเลือกว่าเราอยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปหรือเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เลือกได้เลือกที่การกระทําของเรานี่แหละดกทุกข์ได้ยากเราก็อาจจะคิดว่าต้องไปลักไปขโมย <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากของเราเพราะเราไม่มีงานทาไม่มีเงินใช้ถ้าเราเลือกทางนี้ ก็เท่ากับเราเลือกการที่เราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปหลังจากที่ร่างกายร่างนี้ตายไปแล้วใจของเรานี่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำบาปจากการที่เราต้องการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายด้วยวิธีทำบาปเราก็จะเลือกทางของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราไม่ต้องการเป็นสตัตว์เดรัจฉานเราต้องการเป็นมนุษย์ต่อไปสมมติตายไปแล้วเราต้องการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็เลือกได้โดยวิธีเราต้องไม่ทำบาปเท่านั้นเองถึงแม้เราจะทุกข์กได้ยากลำบากอย่างไรเราก็จะต้องดิน้นรนนขวนขวายหาสิ่งที่มาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยวิธีไม่ทำบาปได้ ถึงแม้จะไปเป็นขอทานก็ยังดีเป็นขอทานนี้ไม่เป็นบาปเห็นไหมช่วงนี้เวลาคนตกทุกข์ได้ยากมีผู้ใจบุญเปิดโรงทานแจกข้าวของแจกอาหารต่างๆช่วยเหลือบรรเทากันก็เลือกทางนี้ก็ได้แต่สำหรับบางคนก็อาจจะเลือกอี ก, อ ก, อกทางหนึ่งเลือกทางไปรักทรัพย์ ไปโกงไปโป้นไปจี้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาเรื่องราวของจิตใจหรือไม่ถ้าไม่มีโอกาสก็มักจะเลือกไปในทางบาปกันเพราะการทำบาปนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการไม่ทาบาปในการที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ของทางร่างกายพวกเราชาวพุทธจึงถือว่าเป็นพวกที่โชคดีพวกเราได้เรียนรู้เรื่องของบาปเรื่องของผลกระทบของบาปที่จะตามมาว่าจะชี้ให้เราไปเป็นมนุษย์ต่อไปหรือให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงปากเลี้ยงทองของเขาด้วยการทำบากด้วยการขโมอยอาหารของผู้อื่นหรือด้วยการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเอามาเป็นอาหารผู้ผู้ที่เป็นมนุษย์ถ้าทาบาปโดยวิธีนี้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็จะมี การเป็นเดรัจฉานรออยู่ข้างหน้าตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเลือกไม่ทำบาปยอมอดบ้างกินอดมือกินมือบ้างยอมทุกข์ยากขยันหางานหาอะไรทาไปเก็บผักปลูกผักหรือทอะไรไปตามกาลังไม่งอมืองอเท้ายอมสู้ กับความยากลำบากเพื่อเลี้ยงดูชีวิตของตนให้อยู่ต่อไปหรือถ้าอยู่ไม่ได้ก็ยอมตายยอมตายดีไปทาบาปเนี่ยก็จะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้นี่คือต้องเป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เท่านั้นถึงจะรู้เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจพระพุทธเจ้าสอนว่าการกระทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุที่นำให้เราต้องไปเกิดในอบายกันถ้าเราทําบาปโดยความหลงโดยความไม่รู้เราก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทําบาปด้วยความโลภเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย เรียกว่าเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความกลัวหุ้มห่อจิตใจก็เรียกว่าอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองก็จะเป็นนรกเป็นไฟนรกจะถูกไฟนรกหุ้มห่อจิตใจ สังเกตเวลาที่เราไม่สบายเวลากอดแค้งกอดเคืองกครเรากินกินได้นอนหลับไหมอยากจะเอามันให้ได้ทําให้เราแค้งอยากจะล้างแข้ยใจมันร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ากลัวมันก็มีแต่ความหวาดกลัวไปหมดถ้าโลภก็หิวไม่หมดถ้าทํา ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะพาให้ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะทำให้ไปเป็นนสุนตกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นนรกถ้ารักษาสี่ห้าได้ไม่ยอมทำบาปโดยเด็ดขาดบาปก็จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจ ไปเกิดในอบายได้พอตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของการป้องกันพระพุทธเจ้าทรงสอนในเบื้องต้นให้เราป้องกันจิตใจของพวกเราอย่าให้ตกต่าก่อนอย่าให้ต่ำกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้อย่าให้ติดลบถ้าทำงานเหมือนร้านค้าขายทำธุรกิจก็อย่าให้ติดลบ ยอมลดขนาดลงดีกว่าถ้าขนาดใหญ่มันติดลบก็ลดขนาดลงให้มันเน็กลงต้องตัดค่าใช้ใจ่ายอะไรต่า ง, างๆอะไรก็ต้องตัดไปเพื่อให้มันไม่ติดลบดีกว่าติดลบติดแล้วแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีถูกเขาฟ้องล้มละลายยึดทรัพย์ไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอยากขาดทุนในเบื้องต้นอย่าเกิดมาแล้วอยากขาดทุน แ้าเราไม่อยากขาดทุนไม่อยากลดฐานะของความเป็นมนุษย์ลงให้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นี้เราต้องไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดและเราต้องไม่เสพอบายามุขด้วยเพราะอบายามุข ค, คือการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการมีความเกลียดแค้น และการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรนี้จะเป็นตัวที่ดึงให้เราไปทำบาปต่อไปเพราะการเสพอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมันก็จะดูดทรัพย์ของเราที่มีอยู่ให้หมดไปแล้วพอหมดไปเมื่อเรามามัวแต่เสพอบายามุกเราก็จะไม่ไปทำงานหาเงินหาทอง พอไม่มีเงินทองใช้ก็ต้องหาเงินโดยวิธีทาบาปนั่นเองแล้วนอกจากรักษาศีลสี่ข้อแล้วก็ต้องมาละอบายามุขข้อที่ห้าของศีลห้าก็คือไม่ดื่มสุราอย่าเมาการดื่มสุราอย่าเมาทำให้เราไปทําบาปได้ง่ายเพราะเมื่อเกิดอาการมึนเมาแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดละอาย ในเรื่องของการกระทำบาปพอมึอนเมาแล้วมันก็เป็นเหมือนครึ่งหลับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้แต่ว่าต้องการจะได้อะไรอยากทําอะไรก็จะทําอย่างนั้นไปก็จะไม่มีการยับยั้งชั่งใจเหมือนตอนที่ไม่ได้ดื่มสรุราไม่ได้มึนเมาเวลามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่ย จะทำอะไรต้องคิดก่อนว่าทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียอย่าทำดีกว่าอ่านี่คือข้อแรกของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ที่มาตัสงรู้เรื่องของจิตใจของสัตว์โลกว่าอะไรเป็นตัวที่จะมาหนึ่งจิตใจของสัตว์โลกให้ลงต่า ให้ไปมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็คือการกระทำบาปนี่เองจึงทรงสอนให้เราพวกเราทั้งหลายละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงด้วยการรักษาศีลห้าด้วยการละ ก, การเสพอบายามุขแล้วการกระทำบาปของเรานี้ก็แทบจะไม่มีต่อไปยกเว้นในกรณีที่มันเป็นเรื่อง ลูกแก่อำนาจของใจลูกแก่โทสะโมหะอันนั้นก็อาจจะยับยั้งไม่ทันแต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปนี่ก็จะมีความสามารถใช้อำนาจของศีลที่เราถือกันนี้คอยหักข้ามจิตใจไม่ให้ไปทำบาปได้งนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธให้รักษาศีลห้ากันให้ได้ พย า, ยารักษาศี่ห้าให้เป็นนิจติสินในเบื้องตน้นถ้ายังไม่เคยรักษาเลยถ้าให้รักษาทีเดียวทั้งห้าข้อยังไม่ได้ก็ให้เพิ่มทําทีละข้อไปก่อนก็ได้เหมือนกับการเดินก็ต้องเดินก้าวแรกก่อนแล้วค่อยไปสู่ก้าวที่สองก้าวที่สามต่อไปก็ลองเลือกดูว่าคัดทำข้อไหนได้ก่อนก็เลือกทําไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปตาม ลำดับต่อไปถ้ามีความตั้งใจที่แน่วแน่และมีความเชื่อว่าการรักษาสีนี้จะป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ยกลับมาเกิดกี่ครั้งก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกก่อนแต่ถ้าทำบาปแล้วนี้มันจะเป็นตัวที่จะดึงไป พอเรารักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะดึงจิตใจของเราให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์ได้จิตใจของเรานี้ยังมีขั้นที่เราสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นไปได้อีกหลายขั้นด้วยกันจากขั้นมนุษย์เราก็สามารถยกระดับใจของเราให้ขึ้นไปเป็นเทวดา<ม>เป็นดวงวิญญาณ ที่มีความสุขมีความสบายมีความอิ่มน้ำสำราญใจเวลาที่ตายไปแล้วไม่หิวโหยไม่เป็นเปลตไม่เป็นอสุรกายไม่มีความหวาดวิตกหวาดกลัวไม่มีความเครียดแค้นมีแต่ความเย็นมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มน้ำสำราญใจการที่จะเป็นเทวดาได้จากมนุษย์ก็คือ รักษาสีแนวก็ต้องมาทําบุญทําทานนี่เองทําบุญทําทานเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นไม่ได้ทําบุญทําทานเพื่อประโยชน์สุขของตนไม่ได้ทําบุญทําทานเพื่อให้รวยขึ้นกว่าเก่าให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสูงกว่าเก่าให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยากได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทาบุญที่จะส่งผลให้ยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้ทำบุญด้วยความเมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุติตาสแสดงความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นอันนี้ต่างหากเป็นวิธีที่จะยกจิตใจให้สูงขึ้นเพราะเทวดานี้เขามีพรมวิหารสีเขามีเมตตากรุณามุติตาถ้าเป็นพวกเทพก็มีเมตตากรุณามุติตา เขามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญเวลาผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญก็แสดงความยินดีเวลาผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเวลาผู้อื่นไม่มีความสุขก็หาความสุขให้กับเขาให้ความสุขแบ่งปันความสุขให้กับเขาไป ด้วยการทําบุญทําทานเนี่ยอย่างที่ตอนนี้มีโอกาสได้เป็นเทวดากันเยอะแยะถ้าเรามีกําลังมีเงินทองที่เราไม่ต้องใช้กับเลี้ยงการเลี้ยงดูร่างกายของเราชีวิตของเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินส่วนนี้มาแปลงเป็นบุญดีกว่ามาแปลงจิตใจของเราจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทวดา ทำมากก็จะเป็นเทวดาที่มีความสุขมากทำน้อยก็เป็นเทวดาที่มีความสุขน้อยท่านก็แบ่งเทวดาไว้ถึงหกชั้นด้วยกันเออเกอยู่กับการทำบุญว่าทำมากทำน้อยทำน้อยก็ต้องย่อมได้ความสุขน้อยกว่าผู้ที่ทำบุญมากกว่าแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่ ความสมัครใจของผู้กระทำไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาบังคับผู้ทำบุญจะรู้เองว่าเวลาทาน้อยกับทามากนี้มีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรเวลาทำบุญมากใจก็จะมีความสุขมากทำบุญน้อยก็จะมีความรู้สึกมีความสุขน้อยวันไหนไม่มีไม่ได้ทำบุญเลยก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยนะครับ ความสุขที่ได้ถึงแม้ว่ามันจะหายไปแต่มันบุญที่ได้ทำไว้มันสะสมอยู่ในใจมันมันจะไปทำหน้าที่ต่อไปหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วตอนที่มีร่างกายนี้เป็นการเอาบุญไปสะสมเข้าไว้ตอนเราเข้าไปก็ดีใจพอผ่านระยะไปเราไปทำเรื่องน้นเรื่องนี้ความรู้สึกดีใจกับเรื่องบุญก็หายไป เดี๋ยวพอเรามาทําใหม่เราก็ได้ความสุขใหม่แต่บุญที่เราทําไว้ยังไม่หายไปเพียงแต่หายจากความรู้สึกไปชั่วคราวมันจะมาอีกครั้งหนึ่งแสดงผลอีกครั้งก็ตอนที่เราไม่มีร่างกายแล้วตอนนั้นนะ่ะบุญจะมีมีมีโอกาสที่จะออกมาแสดงผลเพราะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรายังสามารถทํานู่นทานี่ได้หาความสุขจากทางอื่อนได้อยู่ ทำอะไรได้อยู่มันก็มา ก, กบบุญที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ให้แสดงพ้นออกมาแต่พอร่างกายเราตายไปเราไม่สามารถไปหาความสุขไปทำอะไรได้บุญนี่แหละก็จะเป็นตัวที่จะออกมาทำหน้าที่ต่อไปนี่ระดับขั้นที่สองจากจากการเป็นมนุษย์เราก็สามารถยกระดับขึ้นไปเป็นเทวดาได้ด้วยการทาบุญทาทาน เสียสละแบ่งปันด้วยความเมตตากรุณาบุดิตาแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญได้ความสุขที่สูงกว่าอยากจะกยกระดับจิตของเราให้สูงกว่าจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบุญอีกแบบหนึ่งบุญที่เรียกว่าที่เกิดจากการบาเพ็ญสมถภาวนาบุญที่การเจริญสมาธิ บุญที่เกิดจากการรักษาศสีล8แปดขึ้นไปเพราะว่าผู้ที่จะก้าวจากชั้นเทพไปได้ต้องละการเสพกามนั่นเองการเสพกามนี้เป็นบุญของชั้นเทพถ้าต้องการจะไปเสพความสงบต้องการไปเสพอุเบกขาจาเป็นที่จะต้องหยุดการเสพกามหยุดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสหยุดการหาความสุขแบบเทวดา ด้วยการไปหาความสุขของผมคือถือศีลแปดแล้วก็ไปจริญสติเพื่อคอยยับยั้งความคิดปรุงแต่งและความอยากที่ตามมาให้มันสงบตัวลง mm hmm. เวลาสามารถเจริญสติจนสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งและความอยากที่ตามความคิดมาได้จิตก็จะเป็นอุบเบกขาขึ้นมาสงบแล้วก็จะเกิดความเย็นเกิดความสบาย ที่เหนือกว่าความสุขของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการจาริญสติด้วยการนั่งสมาธิบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประเด็นสำคัญที่จะทำให้เกิดความสงบเกิดความอบเบกขาขึ้นมา น, นี้ก็คือสตินี่เอง ยังต้องพยายามเจริญสติตลอดเวลาไม่ใช่มาเจริญเฉพาะที่เวลามาเริ่มนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามาเริ่มนั่งแล้วมาเริ่มเจริญสติจะมีกำลังน้อยมากพุทโธได้สองสามคำก็ถูกความอยากความคิดเด่งไปคิดเรื่องอื่นนะยังต้องพยายามเจริญสติพุทโธไปก่อนที่จะมานั่งเป็นเวลาชัว่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ สิ่งแรกต้องทําก็คือเจริญสติขอหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นความคิดที่จําเป็นต้องคิดก็ปล่อยให้คิดไปพอไม่ต้องคิดก็หยุดคิดด้วยการจเจริญพุทโธพุทโธไปหรือวิธีอื่นก็ได้มีการเจริญสติมีหลายวิธีจะใช้พุทโธก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้จะส่วดบทสั้นๆอลหังสัมมาก็ได้สวากขาโตสุปฏิปันโนไปก็ได้ หรือจะสวดบทยาวๆก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่จะห้ามความคิดปรุงแต่งที่จะผลิตความอยากที่จะทำให้จิตอยากกลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าไป ม, มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจิตก็จะสงบไม่ได้แต่ถ้ามีสติสามารถที่จะยับยั้งความคิดได้ ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเป็นอุบเบกขาขึ้นมาได้จิตก็จะได้นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีแต่การเจริญสติเพื่อให้เกิดความสงบนี้ก็ยังเป็นขั้นที่ยังไม่สูงสุดเพราะเป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่จิตตั้งมั่นในความสงบพอถอนออกจากความสงบมา ก็ถ้าไม่ได้เจริญสติต่อเดี๋ยวก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้อุเบกขาที่ได้จากความสงบก็หายไปถ้าอยากจะยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นระดับที่จะไม่เสื่อมเป็นระดับที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ระดับของพรมระดับของเทพระดับของมนุษย์นี้ยังติดอยู่ในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้ายกระดับขึ้นไปสู่เหนือระดับของพรมได้คือระดับของพระอริยบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่ระดับของพระโสดาบันขึ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะลดน้อยลงไปตามขั้นตอนของการยกระดับของจิต การจะ ย, ยกระดับจิตขั้นนี้จากระดับของผมขึ้นสู่ระดับอริยบุคคลนี้ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตว์คือใจรักษและอริยสัจสี่ผู้ที่จะต้องการใช้ปัญญาต้องไปศึกษาว่าอาริยาาสัจสี่เป็นอย่างไรใจรักษเป็นอย่างไร mm. เพื่อเอามาใช้ในการที่จะมากําจัดตัวที่จะดึงจิตใจให้เสื่อมให้ ให้วุ่นวายใจคือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองถ้ามีไตลักษณ์มีอริยสัตติถ้ารู้จักใช้ไตลักษณ์รู้จักใช้อริยสัตติก็สามารถจะตัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทําลายความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิได้ในบางขั้นที่หนึ่งก็ได้เป็นขั้นโสดาบัน ก็จะตัดภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือไม่เกินเจชาติในการมาพบพบของมนุษย์และเทวดาะถ้าตัดถ้าได้ขั้นที่สองก็จะตัดให้เหลือหนึ่งชาติในขั้นที่สคือขั้นพระอนาคามีก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบได้อย่างถาวรไม่กลับไปเกิดในการมาพบแต่ยังติดอยู่ในรูปภพอรูปภพคือภพของพรหมอยู่ แต่พอได้ขั้นที่สี่ขั้นของป้าอารหันต์จิตก็จะสามารถหลุดพ้นจากการติดอยู่ในรูปภพและอรูปภพได้หลุดออกจากตายภพได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องหลุดได้ด้วยปัญญาเท่านั้นต้องเจริญปัญญาแต่ก่อนจะเจริญปัญญาได้จะต้องผ่านขั้นสมาธิก่อน แล้วก่อนจะผ่านขั้นสมาธิก็ต้องผ่านขั้นทาบุญทาทานรักษาศี่หน้าก่อนอนั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของการกระทำที่จะส่งผลดีให้ต่อจิตใจหรือนับป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจด้วยการกระทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือหนึ่งเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงสอง สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการจเจริญสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือการจเจริญปัญญานั่นเองแล้วผลที่จะได้ก็คือนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุขขังจิตก็จะหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตได้ชำระจิตให้สะอาดบอยสุดปราศจากตัณหาทั้งสามที่เป็นตัวที่พาให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนั่นเองนี่คือเรื่องราวของจิตใจเรื่องของการกระทาของเราในขณะที่เรามาคอยหาความสุขแลอมาคอยกาจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกาย เราต้องระวังว่าอย่าไปขัดกับคําสอนทั้งสามข้อนี้ต้องอย่าไปทําบาปต้องพยายามทําบุญถ้าอยากจะยกจิตให้สูงขึ้นต้องปฏิบัติธรรมถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาปีปัญหาอย่างที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องราว ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวเรวาหาปูราปาริปุเรงติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุป ก, กัปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเปเมวาสมมิตจัตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติลโสยธาสพพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาสตุ มาเตผวัตตะวันตารายุสุขีทีขาโุกุผวอภพิวาฒนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมมวทานติอายุวันโอสุขังพาลง เดี๋ยวก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องบินทบาทจะเริ่มออกบินทบาทใหม่ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมได้รับอนุมัติฟไฟเขียวจากทางหมู่บ้านแล้วก็จะได้กลับไปทำกิจวัตรของนักบวชต่อไปพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องบินทบาทเป็นอย่างยิ่ง ก็เป็นประโยชน์ทั้งพระและทั้งคาลาวะาผู้ใส่บาตรคาลาวะจะได้ทำบุญทำบุญแบบสบายใจมั่นใจเพราะรู้ว่าทาบุญกับคนดีทำบุญกับคนที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกไม่มีใครสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้ดีเท่ากับพระสงฆ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกถ้าใครปฏิบัติได้แบบพระพุทธเจ้าหรือแบบพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้ ท่านไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตนเองเท่าไหร่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ท่านท่านท่านทำให้กับโลกเนี่ยประโยชน์ของท่านเป็นประโยชน์ภายในทางจิตใจใจท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี้ท่านไม่ต้องมีท่านไม่ต้องทําอะไรอต่อไปแต่ท่านมาทําประโยชน์ให้กับทางโลกทั้งด้านทางธรรมและทางสงเคราะห์โลกทางธรรมก็สอนให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องของการ เวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงวิญญาณในรู้เรื่องของอบุญเรื่องบาปจะได้เรียนรู้และจะได้เพียรทำในสิ่งที่ควรกระทำเพื่อที่จะยกระดับของจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นในท่านทำประโยชน์เหล่านี้ให้กับโลกนอกจากนั้น เงินทองเข้าของต่างๆที่ท่านได้รับมาจากญาติโยมที่ทำบุญส่วนที่เัินที่ท่านจะใช้ประโยชน์ให้กับาศาสนาได้ท่านก็โอนให้กับทางโลกไปช่วยเหลือทางโลกไปแล้วแต่กรณีเห็นตอนนี้เห็นทางวัดทางพระออกมาทาอาหารแจกญาติโยมพี่น้องแจกของข้าวสารอาหารแห้งจาก จากเครื่องม้เครื่องมืออะไรต่างๆหน้ากากอะไรต่างๆเหล่านี้เะฉะนั้นผู้ที่ได้ทำบุญสายบายกับพระนี้จะได้ประโยชน์สองทางได้ทางจิตใจได้ความสุขใจอิ่มใจได้บุญที่จะยกระดับจิตใจของตอนให้เป็นเทวดาแล้วก็อย่างได้สนับสนุนในการช่วยเหลือโลกที่เราอยู่ร่วมกันให้อยู่ ให้แมไม่ให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งคนที่ทุกข์ยากลาบากก็จะได้รับการช่วยเหลือเพราะพระท่านก็ไม่รู้จะเอาเข้าของเงินทองไปใช้อะไรเพราะสิ่งที่ท่านมีคือทม ใ, ในใจของท่านนี้มันมีคุณค่ามาหาศาลกว่าทรัพสมบัติข้าของเงินทองต่างๆที่ได้รับจากศรัทธาญาติโยมท่านก็เอามาแบ่งปันมาช่วยเหลือ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเนือดร้นอนกันไปนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ความสําคัญต่อการบิณฑบาตอย่างในพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้าคือการบิณฑบาตแล้วอีกสี่กิจก็คือกิจการสอนผู้อื่นสอนให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการบิณฑบาตของพระจึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ไม่ได้เป็นการไปเป็นขอทาน การไปเปิดโอกาสให้สัตว์โลกได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการบิณฑบาตสอนไว้ในไยนที่ด้วยกันสอนให้กับพระใหม่พระที่บวชใหม่ปั๊บสิ่งแรกที่ท่านบังคับให้ผู้บวชให้กับพระคือพระอุปชา์นี้ต้องสอนคือกิจปึงกระทำสข้อด้วยกัน หนึ่งในข้อสี่ข้อก็คือการออกบิณฑบาตเรียงฉีดเนี่ยไม่ได้สอนว่าให้ไปนั่งกินตามร้านอาหารไม่ให้ไปรอกิจนิมนต์ของญาติโยมสอนให้บิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยเพราะว่าเป็นการฝึกพลนอบรมของนักบวช ด, ด้วยนักบวชจะได้ไม่เกียจค้านจะได้รู้จักพึ่งตัวเองแล้วก็จะรู้จักความมากน้อยสันโดษ ไม่ยินดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยได้ดีไม่ดีก็ถ้ากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอจบไม่สำคัญว่าจะถูกปากถูกใจหรือไม่ถ้ากินแบบขารวะก็มักจะกินแล้วต้องถูกปากถูกใจด้วยวันนี้จะเลือกกินอะไรดีคิดก่อนแนละ้วเมนูเย็นนี้เป็นยังไงคิดนไอยังว่าจะไปกินอะไรกัน สําหรับพระนี้ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดดีซะอีกมันพอมัไม่คิดเหมือนก็เลยไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดีใจไม่ต้องมาผิดหวังพอคิดแล้วมอยากจะกินปั้บพอไปถึงเวลานั้นร้านปิดซะก่อนนี้ไปซื้อก็ไม่ได้กินใช่ไหมก็ผิดหวังองีกนี่ฉะนั้นกินตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่ให้ขี้เกียจการบิณฑบาตก็ให้ถือเป็นการปฏิบัติทำเป็นเหมือนการเดินจงกรม ับินาบาตรก็ให้มีสติอยู่ทุกวิรยะของการย่างเท้าของการเปิดฟ้าบาทของการรับบาทรไม่ให้ใจลอยไปในเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตและในอนาคตก็จะได้เป็นการปฏิบัติทำไปในตัวท่านเลยสอนพ้าใหม่ให้ถือการบินาบาตเป็นเป็นกิจวัตรประจำ ล้าก็ยังสอนในในทุดงสิบสามให้ถือข้อการบิณฑบาตเป็นวัดเพราะว่าบางทีหลังจากบวชไปแล้วมีคนรู้จักเยอะคนก็อยากจะอำนวยความสะดวกความสบายให้ก็อาจจะนิมนต์ไปฉันที่บ้านหนึงเอาอาหารมาถวายที่วัดบ้างก็อาจจะทำให้ เห็นไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องไปบินทบาทตพระพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนว่าให้ถือการบินทบาทนี้เป็นการฆ่ากิเลสไม่ใช่เป้าหมายหลักของเป้าหมายหลักที่แท้จริงของการบิณทบาทนี้ไม่ได้อยู่เพื่อการเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่เป็นการเพื่อฆ่ากิเลสความมรรคความโลภความไม่มีสันโดษมากน้อยความเกียจคร้าน อันนี้เป็นตัวที่จะขาดขวางการเจริญก้าวหน้าในทำขั้นต่างๆพอบินทบาตแล้วมันจะไม่ขี้เกียจฉันเจ็ดก็ไปเดินจงกรมต่อไนดะ้มีกําลังวางชา <c oughs> ถ้าไม่ได้บินทบาต <c oughs> ฉันเจ็จแล้วก็ไม่มีแรงจะเดิน <c oughs> <c oughs> หาหาเตียงหาหมอนต่อ <c oughs> <c oughs> อั น, นี่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องการบินทบาตมีบันทึกไว้ในสาม แห่งด้วยการในพุทธกิจห้าในกิจของพระที่บวชใหม่และในทุโดงควัตรสิบสามั้นการบินตบาทยึงถือว่าเป็นกิจจวัตรสำคัญของพระปฏิบัติพระป่าแต่พระอื่นไม่รู้นะพระอื่นเขาอาจจะเห็นความสำคัญต่อการไปรับกิจนิมนต์มากกว่าเพราะต้องเอาอกเอาใจศรัทธาญาติโยมแต่พระนี้เอาอกเอาใจทำมากกว่าถ้าอะไรเทพ หลวงตาท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่เกรงทำทำก็แหละถ้าไปเกรงใจคนทาก็แหลกต้องไม่เกรงใจคนต้องเกรงทำถ้าการกระทามันขัดกับหลักธรรมอย่าไปทาถึงแม้ว่าจะทาตามใจของคนอื่นให้เกรงทำอย่าไปเกรงใจเพราะถ้าไปเกรงใจแล้วทาแหลกใช่ไหมมีไม่บินทบาทกันเดีย๋ยวนี้ก็ สั่งอาหารมากินกันแล้วเป็นยางไงผลเป็นยังไงก็อ้วนทางร่างกายแต่พร้อมทางจิตใจทางจิตใจก็อ้วนด้วยความโลภความอยากความโกรธต่างๆความหลงต่างๆนนี่คือเรื่องของการบินทบาทหลวงปู่มั่นนี่ท่านเป็นตัวอย่างตามที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติท่านพยายามบินทบาทจนถึงเวละสุดท้ายของชีวิต พอท่านชราภาพามากไม่สามารถเดินไปถึงหมู่เข้าไปหมู่บ้านได้ท่านก็เดินไปครึ่งทางชาวบ้านก็ออกมาพบท่านครึ่งทางมาใส่บาตกลางทางต่อไปไปกลางทางไม่ไหวไปได้แค่หน้าวัดชาวบ้านก็มาใส่ที่หน้าวัดต่อไปไปที่หน้าวัดไม่ไหวก็บิณบาตรบนศาลาไปใส่บาตรบนสาลาท่านพยายามรักษาข้อวัดตันนี้ไว้เพราะท่าน เห็นความสำคัญโดยเฉพาะท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ลูกหาถ้าท่านไม่ทำก็ไม่มีการพูดเล่าให้ให้เราได้ฟังกันในวันนี้พวกเราก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของกิจวัตรของการบินทบาทก็ได้ต่อไปนี้ก็จะตอบคำถามอันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ พูดติดตามทางบ้าน Facebook กร้อยสิบสี่ย1สองร้อยแปดสิบเอดวิทยุออนไลน์สิบสี่รวมเก้าร้อยเก้าค่ะพระอาจารย์อถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้คำถามจากคุณบิว่วิริทพื้นฐานสำคัญคือสติใช่ไหมครับถึงจะทำให้เรานั่งสมาธิได้นานขึ้นคือสตินี่จำเป็นทุกกรณีไม่ว่าจะ ทำบุญทำทานรักษาศีลหรือภาวนานี่ถ้าไม่มีสติทำไม่ได้คนไม่มีสติคือคนอะไรมีใครบ้างที่ไม่มีสติหนึ่งคนเมาเมาแล้วก็ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้สองคนเสียสติคนบ้าสามคนตาย คนตายก็คือคนไร้สติคนสงบไร้สติไปย่งสตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทุกกรณีมไม่ใช่แต่เฉพาะการภาวนาแต่การภาวนานี้ต้องใช้สติที่มากยิ่งกว่าการกระทำอย่างอื่นทั้งหมดมต้องมีสติที่ต่อเนื่องมากกว่าสติที่ใชในการทำบุญใชในการรักษาศีล คนที่ทําบุญได้แล้วรักษาศีลได้แล้วนี้ยังภาวนาไม่ได้เพราะสติยังมีกําลังไม่มากพอจึงต้องมาเสริมสร้างสติกันก่อนถึงจะสามารถภาวนานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้คําถามฝากถามค่ะดิฉันทํางานพยาบาลต้องเกี่ยวข้องกับหมอหมอจะเอาคนไข้ามาผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดเล็กดิฉันคิดว่าคนไข้ไม่สมควรผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดเล็กคน ควรผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดใหญ่เพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ดิฉันจึงทักท้วงเพราะว่าห่วงคุณไข้จะเป็นอันตรายขนาดผ่าเพราะเจ้าหน้าที่ประจําห้องผ่าตัดเล็กมีแค่สองคนหมอยืนยันจะผ่าและกโกรธด่ดาทอดิฉันเหมือนจะทำร้ายดิฉันในข้อนี้ดิฉันทําถูกหรือผิดประการใดและหากหมอคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของดิฉันควรทําอย่างไรเพื่อผ่านกรรมนี้ไปอย่างสงบเจ้าคะเคยอจะว่าผิดก็มีก็ ก็ผิดแต่ว่าถูกก็ถูกแล้วแต่กรณีผิดก็คือหมอก็เป็นนายเราเราเป็นพยาบาลเราเป็นเหมือนลูกนอก้องหมอสั่งอย่างไรเราเป็นผู้สนับสนุนรับทำตามคำสั่งเขาไปเพราะเขาอาจจะมีความรู้ความเข้าใจที่มากกว่าเราก็ได้งั้นสัมมันเไม่เป็นสอนเจ้ า, าวาด สัมมาเนจะต้องฟังคำสั่งของเจ้าอาวาสเป็นหลักยกยกเว้นในกรณีที่สัมมาเนนเป็นพระอาหารหันต์แล้วเจ้าอาวาสยังไม่เป็นพระอาหารหันต์นี่สมมาเนนอาจจะคัดค้านคัดแย้งก็ได้ถ้าเห็นว่าวิธีการกระทาไม่ถูกต้องหรือทำแล้วให้เกิดความเสียหายถ้าพยาบาลมีความรู้มากกว่าหมอเห็นดีกว่าหมอเห็นถูกกว่าหมอเราแย้งไปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิด ถือว่าถูกก็ได้ที่เรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราเรารู้ดีกว่าหมอเราเก่งกว่าหมอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตัดสินเราเองส่วนเรื่องไอเวรกรรมอันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเวรกรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคนเราชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะมีการขัดแย้งกันขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็อาจจะเกิดความโกรธกันขึ้นมาได้ ในวิธีปฏิบัติก็คือเราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาวางใจว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะส่วนหนึ่งเราก็เป็นผู้ไปทำให้เขาเกิดความโกรธขึ้นมา เ, นเมื่อเขาโกรธเขาจ ะ, สะแสดงอาการอะไรเราก็ไม่ควรตอบโต้เพื่อที่จะได้ไม่ให้เรื่องมันบานปลายถ้าเรานิ่งเฉยเดี๋ยวเขาก็หยุดเองเหมือนคำพูดที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง แต่เขาด่ามาเราไม่ด่ากลับเดี๋ยวเขาก็หยุดด่าเองแต่เขาด่ามาเราด่ากลับเดี๋ยวเขาก็ตีเราต่อพอเราไปตีเขาต่อเขาก็กลับมาฆ่าเราได้ยั้นถ้าเกิดมีปัญหากันแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็นิ่งเสียทำใจให้เป็นอุเบกขา ว, วางเฉยอีกคำถามฝากถามค่ะขอพระอาจารย์เมตตาค่ะมาน้อยที่หนูรักมากเลี้ยงมาสิบสี่ปี หมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตอนนี้หนูเหมือนรอเวลาให้เขาจากไปหนูทุกจนจะเป็นบ้าร้องไห้ทุกวันทิ้งทุกอย่างจมอยู่กับความกลัวกลัวเขาตายหนูรู้ว่ามีเกิดมีดับแต่ตอนนี้สติไม่มีปัญญาไม่มาเรียกกลับไม่ได้เลยค่ะทุกคนบอกว่าให้หนูปล่อยวางหนูทราบแต่มันยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะก็นั่นแหละต้องดึงสติกลับมาให้ได้ ดึงใจเราให้ออกถึงออกจากความคิดของเรื่องของสุนัขได้ๆเช่นต้องฟังเทศฟังธรรมไปหรือสวดมนต์ไปหรือเจริญสติบริกรรมพุทธโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่ใจเราไปคิดถึงสุนัขตัวที่เรารักหรือถ้าจะคิดถึงสุนัขตัวที่เรารักเราก็ต้องเอาแปดคูณกับอายุของเขาเพราะว่าชีวิตของสุนัขนี่เขาถือว่า หนึ่งปีนี้เท่ากับแปดปีของมนุษย์เนี่ยถ้าแปดคูณสิบสี่เข้าไปนี่ก็ร้อยร้อยสิบสองวก็คิดดูมนุษย์อายุร้ยสิบสองจะอยู่ได้อย่างไรให้คิดอย่างนี้แล้วก็อาจจะทำใจได้แต่ถ้าเราไปมองเขาว่าโอ๊ยเป็นเหมือนสุนัขน่ารักที่เราได้มาใหม่ๆคิดถึงแต่ภาพนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราคิดว่าเราก็เสียดาย แต่ถ้าเรามองว่าเขาอายุน้อยกว่าปีแล้วนะเขาไปไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็รักษาพยาบาลเขาไปเลี้ยงดูเขาไปจนกว่าเขาจะหมดนมไปแต่อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปฉีดยายเขาตายการทําอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นมันเป็นการแก้ปัญหาใจเรามากกว่าเราคิดว่าเขาทุกข์ทรมานแต่ความจริงใจเราทุกข์ทรมานที่ไปเห็นเขาทุกข์ทรมาน ใจเขาอาจจะทําใจก็ได้เขาอาจจะเฉยๆยอมตายยอมเจ็บเราไปทุกแทนเขาเองก็เลยไปฆ่าเขาที่อีกทั้งทั้งที่รักเขาแทบเป็นแทบตายกับไม่อยากให้เขาทุกข์ทรมานเพราะเราคิดว่าเขาทุกข์ทรมานแต่เขาอาจจะไม่ทุกข์ทรมานทางใจก็ได้ถ้าเขาทําใจได้ยังงี้ก็ก็พยายามเรียกดูต่อไปรักเขาต่อไปอแต่เขายอมรับว่าทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลง ไม่ใช่แต่เขาต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเมือนกันเพาะฉะนั้นอย่าอย่าไปทะไรสิ่งที่ไม่ดีบางคนถึงแม้จะรักมากก็ไม่อยากให้ทรมานนานก็เลยให้หมอฉีดยาให้เขาตายไปอันนี้ก็เป็นความโหดร้ายมากกว่าเป็นความรักถึงแม้อาจจะคิดว่าเพื่อรดความทุกข์ทรมานให้สั้นลงให้ใหน้อยลง แต่มันเป็นการทำบาปของเราเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจของเราที่คิดฆ่าในสิ่งที่เรารักได้คำถามจากคุณสันชายคะ่ะมดขึ้นบ้านเอาสเปรย์ฉีดมดฉีดเพื่อกันเส้นทางไม่ให้เข้าบ้านอย่างนี้แบบบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าไม่มีตัวมดตอนที่เราฉีดเราก็ต้องกวาดให้มันไปก่อนกวาดแล้วเราค่อยมาฉีดพอมันเข้ามาใกล้กลิ่นมันได้กลิ่นมันก็ถอยไป คำถามจากคุณซอโอคะ่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าลูกเราเป็นทารกยังทําบุญไม่เป็นเราทําบุญให้ลูกเผื่อว่าเขาจะมีเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติปางก่อนเขาจะได้รับบุญไหมคะทารกเขาจะได้รับบุญไหมคะพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทําบุญเขาไม่รู้เรื่องรู้แล้วขายังไม่ได้รับเขายังไม่ได้ทําเขาต้องรู้เรื่องเขาต้องมีของ มีทราบมีอะไรก่อนเป็นของของเขาก่อนแล้วเขาทำเขาถึงจะได้บุญคําถามจากคุณสง่าค่ะการฆ่าสัตว์โดยมีจิตรู้ถึงกรรมที่กระทําแต่ต้องทําเพื่อดํารงชีพไม่ทราบว่าอย่างนี้จะมีผลกรรมหรือไม่ครับก็นั่นแหละก็ต้องไปเป็นสา์เดรัจฉานให้ถูกเขาให้เขากัดกินบ้างเรากินเขาต่อไปเราก็ต้องไปถูกเขากัดกินเพราะสัตว์อื่นเขาก็จะคิดเหมือนเราเขาก็ต้อง เอาตัวรอดพอเขาเห็นเราเล็กกับเขาเขาก็กัดกินเราได้อขยับหน่อยนะมีเพื่อนฝนมาแนละ้วแต่คงตกไม่มากมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวต้อเข้ามาข้างในอถามถามต่อไปคำถามจากคุณฟ้าค่ะทางทา ง, ทางคุณบอยออถามมาโอเคคำถามจากคุณฟา้าถ้าที่ที่เราอยู่เป็นทุกข์ แต่เป็นที่อยู่กับครอบครัวกับเปรียบเทียบกับการแยกอยู่ตัวคนเดียวเลือกทางไหนดีเจ้าคะอ๋อถ้าเราต้องการความสงบน่การอยู่คนเดียวน่ะดีที่สุดนีพระพุทธเจ้าก็ต้องแยกตัวไปเป็นนักบวช น, นี่ยคำถามจากคุณศักชัยคะ่ะเรียนขอธรรมะพระอาจารย์แก้วิตกกังวลให้กับคนไทยที่ตกอยู่ในสภาวะโรคระบาดครับ ก็ต้องใช้ธรรมะเดี๋ยวตัวนี้ปิดเลยก่อนมันดังออาตัวเดียวก็พอ <Okay. S 1> ก็ต้องใช้ธรรมะต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสั่งคำสอนที่สอนให้เรายอมรับความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่วันใดก็วันหนึ่งหน้ก็จะต้องอาจจะต้องตายไปไม่มีใครร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปได้ วิธีที่จะทำใจให้ไม่วุ่นวายก็คือพยายามฝึกสมาธิกันฝึกสติกันบริกรรมพุทโธพุทโธกันไปอย่าไปคิดถึงมันคิดแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเชื้อโรค ก, ก็ยังแพร่อยู่ยังกระจายอยู่ถึงแม้เชื้อโรคนี้จะหมดวิตไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีโรคใหม่มาต้อนรับเราอยู่ดีดังนั้นในที่สุดเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปอยู่ดีงั้นขอให้เราตรงกันเถิด คำถามจากคุณทีคัตนาค่ะเมื่อเราปรารถนาจะาปฏิบัติเป็นพระโสดาบันเกิดเพียงเจ็ดชาติโดยปฏิบัติทุกวันไม่หยุดจนตายเพราะเราเห็นแล้วว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่ในทางโลกยังต้องดำรงชีพหาเงินเพื่อครอบครัวแบบนี้ทุกภพที่เรายังต้องเกิดถ้ายังวนเวียนอยู่กับโลกธรรมปจะทาให้กิเลส พาไปในหนทางอื่นหรือไม่คะและแต่ถ้าเรามีทานศีลภาวนารวมถึงปัญญาอย่างสม่าเสมอแบบนี้จะยังพอไปถึงพระโสดาบันไดหรือไม่เจ้าคะถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็ต้องเห็วันใดวันหนึ่งถ้ามีดวงตาเห็นทำขึ้นมาเห็นว่าเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังในทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะตัด ลาบยศสารเสแสรตัดครอบครัวตัดคนนั้นตัดคนนี้ได้แล้วตัดชีวิตของตนเองได้อยากให้มันตายไปก็เป็นพระโสดาบรนได้คําถามจากคุณสมบัติค่ะถ้าเงินที่ทําบุญได้จากการทุจริตจะได้บุญไหมครับบุญที่ได้มาจากการทําบาปก็ได้บุญเงินที่ไปทําบุญนี่ก็ได้บุญแต่ไม่ไปล้างบาปบาปก็ยังมีเท่าเดิมอยู่ เน่องแต่ว่าบุญกับบาปมันก็จะไปเดึงจิตใจตอนที่จิตร่างกายตายไปให้เดึงไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปยังมากกว่าบุญอยู่บาปก็จะเดึงไปทางอบายถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะเดึงไปทางสวรรค์คําถามจากคุณจินคะขณะที่ลูกทํางานจิตของลูกก็ว่างไม่คิดคิดแต่งานบางครั้งก็ว่างแต่หลังจากทํางานเรียบร้อย จิตก็เริ่มคิดโยมก็นึกถึงพุทโธเพื่อให้หยุดคิดโยมทำแบบนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นแบบนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะ้าทำไปเรื่อยๆถ้าเราควบคุมความคินได้ลดความคิดได้ก็ไปถูกทางคำถามจากคุณใหญ่คะ่ะผมเคยทำผิดศีลข้อ3แต่ตอนนี้ปฏิบัติทำทุกวันผลกรรมจะลดไหมครับก็บาป ท, ที่เราทามันไม่ลดแต่มันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ทำบาปเพิ่มขึ้นมันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ลดลงไปเพราะเราไม่ได้ทำบาปต่อมันจะลดลงไปก็ต่อเมื่อเรารับผลบาปไปแล้วเท่านั้นคำถามจากคุณพะคุณวดีนั่งสมาธิทุกครั้งนานกว่าครึ่งชั่วโมงทุกครั้งก็จะมีเวทนาจะปวดขาขวาตลอดเมื่อไร่จะหายทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็ต้องพยายาม อยู่กับพุโทโธแรืวอยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของทางร่างกายถ้ากาอติดกับอารมณ์คือพุโทโธแล้วลมหายใจได้เดีย๋ยวใจก็จะเลิมเรื่องความเจ็บปวดไปแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแล้วก็จะอยู่หรือผ่านความเจ็บปวดนั้นไปได้คําถามจากคุณธิดาค่ะถ้าเราซื้อปลาที่เขาปล่อยที่เขาทาไว้แล้ว ไปทำอาหารจะบาปไหมคะถ้าเป็นปลาตายแล้วไม่บาปถ้ายังเป็นปลาไม่ตายแล้วไปสั่งให้เขาทํานี่บาปชเช่นไปร้านอาหารที่เขามีปลาอยู่ในตู้อยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, ใ น, ในตุ่มหรืออยู่ในบอ่อเรวก็ชี้เอาตัวนี้นะแล้วเขาก็ไถึงแม้เราไม่ได้ทําเองไปสั่งให้เขาทาก็เท่ากับได้เท่ากับทําเองคําถามจากคุณสุภกัญญา หาเราใส่บาตรแล้วแต่ไม่ได้กรวดน้ําในวันนั้นเรายังจะได้รับผลบุญจากการตักบาตรของวันนั้นไหมเจ้าคะ่ะเคยบุญที่เราทํานี้เราได้แล้วไม่ต้องกวดน้ําการกวดน้ําหรืออุทิศบุญนี้เราทําให้คนที่ตายไปแล้วแบ่งบุญที่เราได้ในวันนี้ไปให้กับคนที่เขาเป็นดวงวิญญาณเพราะเขาไม่สามารถทําบุญเองได้เราก็สามารถแบ่งไปให้เขาได้บ้างเล็กน้อยคําถามจากคุณ อาทิวัดโยเห็นเพื่อนๆ เ, เอาเงินใส่บาตรโดยไม่ต้องมีอาหารจะเป็นบาปไหมเจ้าคะโยไม่บาปหรอกแต่ทางพระนี้ท่านถือว่าเปิดพระว้ไหนไม่ให้รับเงินทองถ้าอยากจะให้เงินทองควรจะให้กับลูกศิษย์ที่เดินตามที่เดินมาช่วยแบ่งแล้วก็ต้องบอกพระให้ทราบว่าได้ฝากเงินไว้ให้กับลูกศิษย์ถ้าไม่บอกบางทีลูกศิษย์เขาเผลอลืมไปก็พระก็จะ ไม่ได้เงินที่โยมถวายให้กับท่านคําถามจากคุณอิสระพลทําบุญแล้วอธิษฐานหรือปรารถนาจะสําเร็จไหมครับจะข้ามภพข้ามชาติได้ไหมครับคือไม่ได้ออธิษฐานผลบุญเพราะผลบุญงานอธิษฐานไม่ได้เราอธิษฐานเหตุของบุญคือการกระทําได้เพราะคําว่าอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจเราต้องตั้งใจทําบุญ ทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลผลเราไม่ต้องไปอธิษฐานมันตามมาจากเหตุเหตุจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำเหตุดังเช่นตั้งใจจะทำทานตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะภาวนาพอตั้งใจแล้วก็จะมีการทำทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาแล้วผลที่เกิดจากการทาทานศีลภาวนาก็คือการหลุดพ้นตามลาดับ คำถามจากคุณสอนค่ะเนื่องจากความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีมากทำให้เวลานั่งสมาธิบางวันจะหลุดไปคิดแต่เรื่องงานจิตไม่เป็นสมาธิจะมีวิธีการใดที่ทำให้จิตนิ่งและจิตรวมได้ครับก็ต้องมีหาเวลาว่างเช่นวันหยุดไปปีกวิเวกเพื่อจะได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับ อย่างนั้นก็จะมีโอกาสที่จะทำจิตให้สงบได้ถ้ายังต้องคิดต้องทำงานอยู่แล้วมานั่งสมาธิแค่ปั๊บเดียวนี้มันเหมือนกับรถวิ่งร้อยี่สิบกิโลแล้วแตะเบรกครั้งสองครั้งจะให้มันหยุดมันไม่หยุดนะการจะให้รถมันหยุดได้ต้องเหยียบเบรกไปยาวการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการเบรกเบรกจิตใจให้สงบ คำถามจากคุณจุธาภร์ค่ะการฆ่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารยังเป็นบาปใช่ไหมเจ้าคะถึงแม้ว่าเรานําอาหารนั้นมาใส่บาตรและอุทิศให้สัตว์ที่เรานําฆ่าสัตว์มาปเป็นอาหารคะ่ะอ่าเป็นบาปสําหรับผู้ที่กระทําบาปผู้ที่รับประทานอาหารไม่บาปเป็นโยมไปทําไปฆ่าไก่มาทำแกงไก่แล้วก็มาใส่บาตรเนี่ยพระฉันนี่พระไม่บาป แต่ถ้าบอกพระว่าเนี่ยวันนี้หนูฆ่าไก่มาเพื่อทําแกงไก่นิทวายพระโดยเจาะจงนี้ถ้าพระทราบก็จะบอกว่าขอปฏิเสธไม่รับเพราะไม่ต้องการที่จะสนับสนุนให้โยมต้องมาฆ่าสัตว์เพื่อมาทําบุญเอแต่ถ้าไม่ทราบไม่บอกนี่พระฉันก็ท่านก็ฉันไปท่านไม่บาปคนที่บาป ก, ก็คือโยมคนที่ฆ่า คำถามจากคุณทัศนีค่ะอาการหาวนอนขนลุกขนพองในเวลาสวดมนต์ภาวนาหรืออุทิศบุญแผ่เมตตาเพราะอะไรเจ้าค่ะอ๋อมันก็เป็นเรื่องของจิตใจบางครั้งเวลามันได้สัมผัสกับอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างมันก็มีปฏิกิริยาของมันไปไม่ใช่เป็นเรื่องสาคัญอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันบ่อยันไปตามเรื่องของมันคาถามจากคุณสิริวัลค่ะ เวลานั่งสมาธิจะมีอาการตึงแถวหน้าผากแล้วก็หน้าก็จะทิมลงมาด้านหน้าครจะทำอย่างไรเจ้าค่ะไม่ต้องไปนสนใจมันเป็นอาการของใจที่เวลาทำอะไรบางอย่างมันก็จะมีปฏิกิริยาก็ให้สนใจอยู่กับการภาวนาของเราถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไป ม, มีคำถามหเปล่านะชานมมีคำถามหรือเปล่าไปเลย นักที่มีคําถามอว่าคําถามจากคุณภูมิค่ะอยากหาที่ฝึกกสินครับต้องหาพระอาจารย์วัดไหนดีครับถ้าเป็นไปได้ขอเมตใพรจากกรุงเทพครับขอพระอาจารย์แนะนําค่ะก็ลองถามกูก็ดูดีกว่านะถามไปว่าที่ฝึกกสินมีอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาอมตอนนี้ยังไม่มีคําถามนะคะพระอาจารย์ เรื่องฝึกเกิตนี้ไม่ค่อยได้ยินมีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่านจะสอนทางพุทโธหรืออนาปนาสติ mm hmm. หลวงพ่อเทียนท่านก็สอนให้ดูมือของท่าน mm hmm. ขยับมือแล้วก็ให้เฝ้าดูมือไปแต่มันเป็นวิธีที่แปลกแต่ท่านอาจจะทำได้ผลท่านก็เลยสอนทางนั้น คือเป้าหมายก็คือการฝึกสตินั่นเองแต่จะให้จิตสงบจริงๆนี้นั่งดูมือมันนุ่นเป็นจะสงบได้ยังไงว่ายังมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับเดินจงกรมนี่มันไม่สงบเหมือนกับการนั่งดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. การดูลมก็เป็นกระสินแบบหนึ่งแทนที่จะใช้แสงใช้สี mm hmm. ก็ใช้ลมหายใจแทน mm hmm. มันก็เป็นเหมือนเป็นการเพ่งให้จิตเราเกาะติดอยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งการเพ่งกระสินก็ก็เพ่งสีเพ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาววิธีทำก็คือหลับตาแล้วก็นึกถึงสีนั้นถ้าเป็นสีเขียวก็นึกถึงสีเขียวให้มันเป็นสีเขียวเต็มเต็มตาเต็มจอใจหลับตาแล้วก็นึกให้มันภาพที่อยู่ในในขณะที่หลับหลอบตานั้นให้กลายเป็นสีเขียวไปทั้งหมด ถ้าตอนต้นยังไม่เป็นก็ให้ลืมตาดูสีเขียวก่อนจ้องดูสีเขียวแล้วก็จำมาไว้พอหลับตาก็พยายามจำสีที่เราเห็นด้วยตาแล้วพยายามใช้จิตสร้างมันขึ้นมา mm hmm. วิธีทำอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเพลินกับการสร้างสีทําให้เราลืมคิดถึงเรื่องราวต่างๆ mm hmm. ก็จะทําให้ใจสงบได้เห mm hmm. มือนกับการดูลมหายใจเข้าออก จอมยุทธถามต่อว่ากสินนี่ฝึกเองที่บ้านได้ไหมครับที่ไหนก็ได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติเีงแต่ว่าการปฏิบัติจะได้ผลดีหรือไม่นั้นต้องอยู่ที่สถานที่ที่สงบหรือไม่สงบถ้าสถานที่สงบมันก็จะช่วยทําให้สงบได้ง่ายถ้าสถานที่ไม่สงบมันก็จะบารบกวนจะทําให้สงบได้ยากกว่าคําถามจากคุณทัศนีค่ะการแยกจิตออกจากร่างกายคืออะไรคะ ก็คือจิตกับร่างกายนี้มันเป็นคนละส่วนกันมันมาเกาะติดกันวิธีที่ยากจิตออกจากร่างกายก็คือดึงกระแสจิตที่มาเกาะติดกับร่างกายให้กลับเข้าไปที่ตัวจิตนวิธีที่จะดึงก็ต้องใช้สตินี่แหะ mm. เช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป mm. ก็จะหยุดความคิดที่เป็นตัวส่งกระแสจิตมาเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกาย พอหยุดความคิดได้กระแสจิตที่มาเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหดกลับเข้าไปในใจใจกับร่างกายก็จะแยกเป็นคนละส่วนกันไปคำถามจากคุณคิมค่ะปัจจุบันถือพรหมจันยร์แต่ยังไม่สามารถปรับชีวิตให้ถือศีลแปดได้จึงสมาธานเป็นศีลห้าแต่เปลี่ยนจากข้อการเมสุมิชฉาจาราเป็นอพรพมจรารยาจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ ก็ก็ได้ข้อหนึ่งของศิลแปดแต่อีกสามข้ อ, อยังไม่ได้คือข้อวิการละโภชนาก็ไม่ดูหนังฟังเพลงก็ไม่นอนหลับบนเตียงใหญ่เตียงโตคําำถามจากคุณสง่าถ้าเผยแพร่ถ้าเผยแพร่พรบอกกล่าวหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแก่บุคคลทั้งหลายให้เขาได้ระลึกสติ อย่างนี้จะได้รับผลบุญไหมครับก็อยู่กับว่าเป็นธรรมะที่ถูกหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็อาจจะไม่รู้ว่าธรรมะที่เร า, เาไปแพร่ให้ผู้อื่นนี่เป็นธรรมะที่ถูกหรือไม่ถูกอ่านย่าก็ถ้ายังไม่ยังไม่รู้จริงอย่าเพิ่งเอาไปแพร่เหมือนเอายาที่เราไม่รู้ว่าเป็นยาที่รักษาโรคได้หรือไม่ไปให้คนที่เขาไม่สบายกินอเพราะอาจจะ ทำให้เขาตายก็ได้หรือทำให้โรคของเขาเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราได้ทดวางยานี้แล้วว่าโอ้เป็นโรคนี้กินยานี้แล้วหายพอใครเป็นโรคนี้เราก็เอาอยานี้ไปกินได้แล้วเขาก็จะหา ย, ยนั้นเราต้องมีความมั่นใจในทำที่เราไปให้ผู้อื่นก่อนว่าเป็นทำแท้แล้วเป็นทำปลอมคำถามจากคุณรงชัยคะ่ะ เมื่อนั่งสมาธิได้นิ่งเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นเรื่อยๆจนเป็นหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละครั้งควรเป็นอย่างไรครับอ๋อไม่ไม่ได้ขึ้นกับเวลาขึ้นอยู่กับผลผลที่เราต้องการคือจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาสักแต่ว่าเรู้มีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงบางทีหานาทีก็สงบได้แล้วก็สงบได้นานบางทีก็สงบไม่ได้นาน อันนั้นแหะเป็นตัวที่จะวัดผลการปฏิบัติของเราไม่ใช่เวลาบางทีเวลานั่งมากๆแต่นั่งฟุง้งซ่านนั่งคิดปุงแต่งสู้กับความคิดสู้กับกิเลสความอยากต่างๆจิตนั่งไปแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรแตกต่างจากการที่ไม่ได้นั่งนี่อันนี้ก็ไม่ได้ได้ผลอะไรอาจจะได้ตรงที่ความเพียรความอดทนความพยายามก็เป็นส่วนดีแต่ก็ยังไม่ได้ผล ที่เกิดจากการปฏิบัติได้ได้ได้ส่วนในของผลที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติคือต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนไปก่อนคำถามจากคุณใหญ่ค่ะถ้ารักษาศีลห้าจะบรรลุถึงพระสกิทาครามีได้ไหมครับอ๋อศีลห้านี่ความจริงมันมันไม่พอเราต้องศีลแปดมันถึงจะภาวนาได้ถึงจะทาใจให้สงบได้ ถ้ยายัดใจยังไม่สงบไม่มีโอเบขานี่ไม่มีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาเพื่อบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้คำ ถ, ถามจากคุณมองฟรีค่ะถ้าจิตเรานิ่งแล้วนิมิตเห็นเสียงพระพุทธเจ้าสีขาวสว่างขึ้นเรื่อยๆและจิตออกจากพวังนี่คืออะไรครับก็เป็นภาพที่ปรากฏให้เรารับรู้รับเห็นเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีโทษอะไรถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขา ไห้รู้ว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปกําหนดไปสร้างมันขึ้นมาไม่ได้ไปห้ามไม่ได้มันก็อย่าไปสนใจรับรู้แล้วพอมันผ่านไปก็ผ่านไปอย่ามาันเอามาคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นคําถามจากคุณจอมยุทธค่ะหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเลยได้ไหมครับจําเป็นต้องขึ้นกองกรรมฐานไหมครับ เพราะผมอ่านจากหนังสือและลองฝึกด้วยตัวเองจะเป็นอันตรายไหมครับถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยควบคุมก็ถ้าเรารู้วิธีนั่งที่ถูกต้องก็ไม่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ถ้าเรานั่งแล้วเราเกิดความสงสัยเราก็ต้องหาคู่รู้มาคอยตอบข้อสงสัยของเราอย่าไปหากำตอบเองซึ่งอาจจะเป็นคาตอบที่ไม่ถูกก็ได้ังนั้นต้องรอบคอบต้องระมัดระวัง การปฏิบัตินี้มีโอกาสที่จะหลงได้มากเพราะเป็นทางที่เราไม่เคยผ่านมาก่อนเนี่นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยคอยช่วยคอยบอกคอยแก้จะดีกว่ า, าข้อสุดท้ายนะนะค่ะคำถามสกุลพระคุณวดีค่ะน้ำที่เรากรวดหลังทําบุญน้ำพวกนั้นจะไปไหนในทางธรรมคะพระอาจารย์อ๋อไม่ไปไหนหนาะน้ำมันก็เป็นน้ามันไม่ได้เป็นบุญ การที่เราใช้น้ำนี้เป็นตัวอย่างของบุญบุญนี้เป็นของที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็เลยเอาน้ำที่ที่เราเห็นนี่มาสมมติว่าเป็นบุญแล้วเราเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่งก็เหมือนส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งแอ้ น, น้ำนี่จะมีหรือไม่มีในการอุทิศบุญก็ได้ไม่สาคัญไม่จาเป็นการอุทิศบุญ ก็เพียงแต่ให้ด้เล็กภายในใจว่าขอด้เล็กบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ท่านนี้ก็สำเร็จประโยชน์ได้แล้วเอาแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ